สมัยก่อนทางภาคกลางนี่ก็มีเรือชนิดหนึ่งนะชื่อว่าเรือเข็มนะเรือเข็มนี่มันคือเรือพายชนิดหนึ่งนะแต่ว่าเล็กมากเรียวมากนะไอ้อนึกถึงปลาเข็มนะปลาเข็มเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเรือเข็มก็เป็นอย่งงางนั้นแหละความกว้างเนี่ยกว้างที่สุดก็ก็จะประมาณหนึ่งสองนะหนึ่งสองหรือหนึ่งฟุตหรืออาจจะเล็กกว่า น, นั้นก็ได้พอที่ คนจะนั่งแล้วย่อนก้นลงไปได้ถ้าหย่อนก้นลงไปนี่ก็เรียกว่าอเต็มกลับเรือแล้วเรือชนิดนี้เนี่ยก็มีไว้ให้พระเนี่ยพายภายตอนไหนนะตอนบินทบาศตอนบินทบาศถ้าสมัยก่อนนี่ชาวบ้านก็ตั้งบ้านเรืออยู่ริมน้ํานะในสวนในตามริมคลอง พระสมัยก่อนเนี่ยบินทบานี่นะหลายท่านก็ต้องใช้เรือพายพายไปตามลำคลองลำน้ำโดยเพราะถ้าไม่มีคลื่นนะก็ใช้เรือเข็มนี่แหละชาวบ้านก็เวลาถวายก็ถวายนะไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกนะแต่ว่าถวายโดยใส่ปิ่นโตหรือว่าเป็นหมอเล็กๆ พระท่านก็เอาหม้อนั้นนะเล็กๆเนี่ยวางไว้ข้างหน้าเรียงเป็นแถวเลยเท่าที่ดูจากภาพนี้ไม่เกินสิบหม้อนี้ก็เต็มเรือและเลือหม้อนี้ก็เล็กๆกันนะไม่ใช่หม้อใหญ่ๆอันนี้เนี่ยในง่ายหนึ่งมันก็ทำให้พระท่านบินทบาทไปได้นะได้กไกลเพราะเรือนี้มันเล็ก แล้วก็เร็วนะเพราะว่าเบาแต่ว่าต้องอาศัยสมาธิและสติมากเลยเพราะว่าถ้าว่าพายเรือแล้วก็เร่งรีบไม่มีสติขาดสมาธิเรือก็คว่ำได้นะแล้วก็ถ้าเรือคว่ำนะโอ้ย่ายงเ้าก็อ่าตําหนิได้นะว่าพรคุณเจ้า หลวงพี่นะไม่มีสมาธิเลยนะวันพรนเนี่ยต้อ ง, ต, องต้องฝึกนะฝึกที่จะใช้พายเลือเข็มให้คล่องต้องอาศัยสติสมาธิพระบางรูปนี่ฝึกมาตั้งแต่ก่อนบวชเลยนะพ่อแม่โยมพ่อแม่นี่ก็ต่อเรือเข็มให้ให้ฝึกพายตั้งแต่ยังไม่ทันบวชเพื่อว่าพอบวชเสร็จก็ พายเรือเข็มได้นะทันทีเลยหรือว่าสามารถจะไปรับบิณฑบาตจากญาติโยมด้วยเรือเข็มได้มองยังไงนึงนะเรือแบบนี้ก็พายลำบากนะไม่สะดวกเลยนะเพราะเรือลำเล็กมากแต่ว่ามันก็เป็นวิธีฝึกสติฝึกสมาธิของพระที่ดีเลยนะ พรานี่ถ้าภายเรือหรือไปรับบินาบาตแล้วก็เมอร์ อ, อยเรือก็ความอาได้ง่ายๆมันเป็นเรเป็นอุบายก็ันนะของคนโบราณ น, นะที่ช่วยทำให้พระก็ดีเนรก็ดีเนี่ยนะนะ ม, มีสติมีสมาธิในชีวิตประจำวันที่จริงสมัยก่อนนี่มันมี สิ่งแวดล้อมนะหลายอย่างนะที่ช่วยทำให้อย่าว่าแต่พระเลยนะญาติโยมก็มีสติมีสมาธิอย่างเช่นเรือนไม้เนี่ยเลือนไทยเนี่ยนะมันปู ด, ด้วยไม้กระดานไม้กระดานเนี่ยถ้าเดินเร็วๆแ ร, ร, รงๆก็เสียงดังนะใครที่เดินไม่เป็นเสียงจะดังอย่าว่าแต่เรือนไม้เลยนะ ศนะาลาของวัดเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหอไตรหรือว่าศาลาไก่สมัยก่อนเนี่ยคนที่ไม่คุ้นเนี่ยคนจากในเมืองนะพอเดินขึ้นศาลานี่เสียงดังเลยเพราะว่าเขาทิ้งน้ำหนักแล้วก็เดินเร็วแต่ว่าคนสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นนะ เขาจะเดิ น, นช้าๆแล้วก็ไม่ทิ้งน้ำหนักแล้วที่สำคัญคือมีสติกับการเดินเพราะฉะนั้นไม้นี่นะมันจะอ่อนยังไงนะก็ไม่มีเสียงดังคนที่เติบโตมาในวัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีสติมีสมาธิได้ง่ายอันนี้ยังไม่นับนะสะพานเนี่ยสะพาน เมื่อจะเป็นสะพานข้ามคลองสะพานข้ามท้องร่องยังเคยตันเห็นเลยนะสะพานที่ใช้ข้ามท้องร่องเนี่ยมันไม่ใช่สะพานหรอกมันก็เป็นไม้เนะีเป็นไม้ท่อนหนึ่งนะท่อนเล็กๆบางทีก็ไม้ไผ่แล้วก็เดินข้ามเดินตายไปตามาไม้ลําไผ่เหล่าเนี้จะเดินข้ามเนี่ยก็ต้องมีสมาธิมีสตินะ ที่จริงวัดเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสะพานเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีแบบนี้หรอกเอาไม้มาต่อต่อกันปีกไม้มาต่อต่อกันควรจะเดินนี่ก็ต้องมีสติพอสมควรนะซึ่งก็ดีนะเพราะว่าเมื่อจะมาวัดแล้วจะมาฝึกสติแล้วก็ควรจะมีสติตั้งแต่มาถึงหน้าวัดนะสะพานที่สร้างไม่แน่นหนาแข็งแรงเนี่ยมัน มันฝึกสติสมาธิให้กับเราได้มากเลยทำให้ระมัดระวังก็เหมือนกับหมู่บ้านแถวนี้สมัยก่อนเนี่ยถนนเนี่ยนะถนนก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะถนนดินถนนลูกรังมีรูมีบอ่อเวลาขับรถนี่ก็ต้องระมัดระวังขับเร็วไม่ได้แต่พอเปลี่ยนมาเป็น ถนนมาตรฐานลาดยางเทปูนเนี่ ย, ยขับรถได้สะดวกปรากว่าสิ่งที่ตามมาคือคนไม่เคยมีสติเท่าไหร่ไม่ค่คยระวังไม่ว่าจะเป็นรถกระบะบหรือรถมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ง่ายสมัยนี้เนี่ยนะมันมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เอื้อให้เกิดสติสมาธิเท่าไหร่แล้วเพราะว่า เป็นสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เราต้องใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะแล้วก็มีสิ่งเรามากมายที่ทำให้ใจลอยทำให้หมกมุ่นคุค่นคิดต่างๆหล่นทั้งเกิดอารมณ์นานาชนิดเวลาสร้างบ้านนี่ก็จะเดินเหินเนี่ยขึ้นบันไดเดินบนพื้นเรือนก็ไม่ต้องมีสติก็ได้เพราะว่ามันเท ป, ปูนเนี่ย เดินเร็ววิ่งทิ้งน้ําหนักมันก็ไม่มีเสียงดังคนก็เลยไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการมีสติสมาธิในระหว่างการเดินรวมทั้งการใช้ชีวิตด้วยนะฉั้นสมัยนี้เนี่ยนะจิงมะร้อนนี่มันมันไม่ได้ช่วยทําให้เรามีสติสมาธิมากขึ้นหรือมีความรู้สึกตัวแต่เราก็รู้ว่าสติสมาธิความรู้สึกตัวนี้สําคัญนะ แล้เราจะรักษาหรือว่าประคองหรือว่าสร้างสติสมาธิความรู้สึกตัวได้อย่างไรนะในสิ่งว่าล้อมอย่างนี้โดยเฉพาะในเมืองที่ชีวิตเร่งรีบเอ า, เาก็ต้องฝึกตัวเองเลยนะสิ่งว่าล้อมไม่ช่วยนะเราก็ต้องทําเราเองอย่างเช่นวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยน ะ, ะเราอยู่บ้านที่อยู่บางคนก็อยู่บ้านมาตั้งแต่วันจันทร์ตลอดอาทิตย์ละ เพราะว่าทางานที่บ้านแต่ว่าวันอาทิตย์นี่งานการจะน้อยลงอะ่ะเราก็ลองฝึกลองทำอะไรช้าๆลงบ้างเวลาเดินก็เดินช้าๆนะแต่ไม่ต้องช้ามากแค่เดินแบบไม่ต้องรีบนะจะอาบน้ำจะถูฟันนะทำครัวก็ลองลดสปีดลงบ้าง หรือไม่ตั่งเวลากินนะเราก็ทำอะไรชา้าหลงบางไม่ใช่เพื่อชา้าในตัวมันเองนะแต่เพื่อให้มีสติบีสมาธิมันก็จะช่วยทำให้เรามีจิตที่พร้อมนะสำหรับการใช้ชีวิตที่มันเร่งรีบที่มันกระตุ้นเรานะเพราะว่ายิ่ง ชีวิตมันเร่งรีบเท่าไร่ยิ่งมีสิ่งเร้ามากเท่าไหร่เนี่ยสติสมาธิความรู้สึกตัวเนื้อยิ่งมีความสําคัญเพราะไม่งันก็จะไหลไปตามสิ่งเร้าหรือว่าเป็นทุกข์เพราะสิ่งเร้ายิ่งถ้าหากว่าเราสามารถที่จะห้าสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวช่วยได้เช่นต้นไม้ให้มันร่มรื่นถ้ามีที่นะมันก็ช่วยกล่อมใจสงบแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ เป็นตัวช่วยนะเราก็ต้องฝึกของเราเองนะอย่างน้อยๆก็การทำอะไรช้าลงเดินช้าลงบ้างมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสติแล้วก็ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น